เราเองอาจจะมองไม่เห็นแต่เพื่อนอาจจะช่วยเห็นให้เพื่อนอาจจะช่วยดูให้และอาจจะช่วยบอกให้เรานะแต่ในที่นี้นี่ข้อสองก็คือเราต้องพยายามรู้เห็นเองแล้วก็พยายามถือปฏิบัติในศีขาบทนี่ก็คือในข้อศีลข้อวินัยของตัวเองเนี่ยให้ดีนะนี่คือข้อที่สองวันถ้าใครฝึกพูดง่ายฝึกในศีลของตัวเองเนี่ยให้ดีๆคนนั้นจะมีพลังจิตแก่กล้าขึ้น นะจะหลุดพ้นจากกิเลสได้นี่ข้อที่สมการเป็นผู้ได้ตามปรารถนาโดยไม่ยากไม่ลำบากในเรื่องที่เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสให้เป็นที่สบายในการเปิดจิตข้อนี้นี่นะพระเจ้าบอกว่าแหมได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากพูดง่ายว่านึกอยากจะได้ก็ได้มาเลยนะในเรื่องของการที่เราจะขัดเกลากิเลสเนี่ย ถ้าเราอยู่คนเดียวอาจมาบอกแล้ว like. บางทียังจะยากนะถ้าอยู่คนเดียวพอบอกแล้วบางทีเราก็เห็นกิเลสตัวเองยากแต่ถ้าเราอยู่กับเพื่อนแม้เราไม่เห็นเพื่อนก็จะช่วยให้เราเห็นอ่าเสร็จแล้วตอนนี้บางทีเราไม่อยากจะขัดเกา ก, กิเลสของเราเห็นแล้วนะตอนนี้เห็นแล้วแต่ไม่อยากจะขัดเกาเนี่ยแต่ถ้าเราอยู่กับเพื่อนที่เป็นมิตร ด, ดีสายดี โอ้โหเขาไม่ยอมปล่อยเราอะเราขี้เกียจขัดเกาเขาก็จะช่วยขยันให้เราช่วยขยันบอกช่วยขยันเตือนช่วยขยันชี้ขุมทรัพย์ให้เราต้องขยันเพราะนั้นอันเนี้ยถึงบอกแล้ว่ข้อที่3เนี่ยนะแม้ว่าเราเองเนี่ยเราจะได้ตามความปรารถนาเพื่อที่จะขัดเกากิเลสนี่ โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากในการเปิดจิตเปิดจิตเนี่ยหมายถึงว่าอะไรอาจะยอมรับก็ตามหรือเปิดใจให้กว้างก็ตามหรือหรือไม่แคบอะ่ะไม่ใช่อยู่ในพบของตัวเองเพราะว่าถ้ามันไม่มีมิตดดีสายดีเนี่ยมันอยู่ในพบของตัวเองเนี่ยจะหนักเลยจะมากแต่ถ้าเราเนี่ยอยู่ในหมู่มิตีสายดีมันจะเปิดกว้างขึ้น ทั้งที่ไม่อยากเปิดนี่แหละแต่มันจะต้องเปิดกว้างขึ้นเพราะเราจะอยู่กับคนอื่นเขาถ้าเราครับแคบเราอยู่กับเขาไม่ได้เพราะมันต้องมันต้องอยู่กับหมู่กับกลุ่มกับเพื่อนฝูงเนี่ยบางทีต้องพูดกันอย่างเงี้ยกูจะพูดจะอยู่ในรอบตัวเองไงจะพูดแต่เรื่องของเราไม่พูดเรื่องของคนอื่นเขาบ้างเลยอีกหน่อยก็ไม่มีใครเขาพูดกับคุณเ <harbor> พราะฉะนั้นในที่สุดอ้าวมันอยู่กับหมู่กลุ่ม ม, ม, ม, มีเรื่องนั้นมีเรื่องนี้บางที ก็ต้องพูดเรื่องนั้นพูดเรื่องนี้พูดเรื่องการงานร่วมกันบ้างพูดคนนั้นบ้างปฏิบัติไปยังไงคนนี้ปฏิบัติไปยังไงให้คุ้มทรัพย์กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใช่ไหมเนี่ยเพราผู้ที่จะได้โดยไม่ยากโดยไม่ลําบากได้ตามความปรารถนานี่นะแล้วก็เปิดให้เป็นที่สบายในการเปิดจิตก็คือดูหน้าเรื่องอะไรบ้าง โอ้โหคราวนี้มาเลยกรถาวัตถุสิบพระเจ้าก็บอกเลยว่านี่การที่จะได้ตามความปรารถนานะคือได้โดยไม่ยากอยู่นะคือเรื่องนะั้นหนึ่งก็คืออภิชักกถาคือจะได้เรื่องลดความอยากได้เข้ามาเนี่ยคือเราเราลดได้เนี่ยคุณจะขัดก้าวกิเลสเนะี่ยคุณจะลดตัวนี้ได้ก่อนเพราะโดยปกติคนเราจะเป็นไง มันไม่ชอบอภิชาหรอกมันชอบฉะเลยอ่ะไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าอปิชาเนี่ยคือเหมือนกับมากน้อยเหมือนกับสันโดษเหมือนกับเนี่ยจริงๆก็คือพูดง่ายๆคือลดความอยากได้เข้ามาของเราเนี่ยเราจะลดลงเพระันถึงบอกว่าบางทีให้ตัวเองเนี่ยนะไปคิดแปลอะไรลดลงน้อยลดลงยาก แต่ถ้าอยู่กับมูเพื่อนฝูงแล้วก็ลถได้ไวดีลดได้เร็วเพราะหลายอย่างเราไม่อยากลถแต่ต้องลถ <c oughs> เพราะนั้นอันนี้นะตัวที่หนึ่งเลยเราจะได้ลดเรื่องของความอยากได้ของเราสองสรนตุทิกถาคือจะได้ยินดีในของของตนให้มี น, น้อยน้อยไว้ข้อที่หนึ่งเนี่ยอภิชฌานี่ก็คือไอ้ที่จะได้เข้ามาเนี่ย เราหัดลดความอยากได้เข้ามาแต่ข้อที่สองเนี่ยมันเหมือนมักน้อยเหมือนกันแต่มักน้อยในของที่มีอยู่อ่ะของที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแหละแต่ให้คุณมักน้อยลงไปเพราะมันจะต่างกันนะข้อแรกอภิชฌาเนี่ยสิ่งที่จะเข้ามาเนี่ยคุณจะได้ใหม่เข้ามานี่คุณหัดลดความอยากลงอยากได้น้อยๆลงแต่ถ้าเป็นสันตุทิแล้ว ของที่มีอยู่หัดลดให้น้อยๆลง น, นคุณจะได้ตัวนี้เป็นตัวที่สองตัวที่สามปะวิเวกกถาก็คือทำความสงัดกายสงัดใจอยู่กับหมู่มิติสายดีนี่แหละแต่คุณทำความสงัดกายสงัดใจอันตรงเนี้ยถ้าพวกที่แปลไม่ถูกต้องอย่างที่บอกทันทีเลยไปเลยลหละสงัดกายก็คือ ไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่อะไรที่มันไม่ต้องมีผู้มีคนอะไรนี่สงัดกายแล้วก็คิดว่าอยู่ในที่สงัดกายแบบนั้นแล้วก็จะสงัดใจก็เหมือนเมกิยะคิดอะ่ะใช่ไหมเมกิยะคิดว่าป่ามะม่วงนั่นน่ะโอ้โหบรรยากาศสังัดดีจังเลยอะ่ะเหมาะที่จะบาเพ็ญเพียร เ, เมกิยะคิดแบบนี้แหละแล้วก็เลยไปอยู่ป่าไง แต่ไปอยู่ที่สังัดกายแต่ไม่สงัดใจเห็นไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นในข้อนี้บอกว่าทั้งสงัดกายทั้งสงัดใจมันสังัดกายไม่ได้หมายความว่าอยู่คนเดียวสงัดกายไม่ได้แปลว่าอยู่คนเดียวรันสังัดกายในที่นี้หมายถึงว่าต่อให้อยู่กับบูมิติสายดีนี่แหละอยู่กับคนจำนวนเยอะ จำนวนมากก็ตามแต่ถึงกระ น, นั้นก็เหอะก็สงบได้ก็สงัดใจได้สงัดกายนี่หมายถึงว่าเราไม่ไปผูกพันนะเราไม่ไปวุ่นวายไม่ไปยุ่งเกี่ยวแบบชนิดที่เรียก ว, ว่าเกิดกิเลสตัณหาอุปทานอะไรยิ่งขึ้นจำจำได้ไม่มีพระสูตรที่พูะเจ้าบอกว่าว่า เธอมีเพื่อนสองอ่ะทั้งๆ ท, ที่บอกว่าไปอยู่ป่าแล้วเธอยังมีเพื่อนสองแต่ตรงข้ามเลยผู้เจ้าบอกว่าแม้ไปอยู่ในในบ้านในเมืองอยู่ในสังคมอยู่ในผู้คนแต่อย่างนี้แหละถือว่าเธออยู่ผู้เดียวไม่มีเพื่อนสองอันนั้นมีพระโสดอยู่พระสูดหนึ่งใช่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเนี่ยสังกัดกายสังกัดใจอย่าไปเข้าใจว่าคําว่าสงัดกายนี่คือ อยู่ตัวคนเดียวไม่ยุ่งอะไรกับใครเขาเลยไม่ใช่สรุดสังัาจกายหมายถึงว่าอยู่กับผู้คนนี่แหละโดยเฉพาะบอกแล้วอยู่กับมิตร ด, ดีสหายดี แ, ยดยแต่อยู่ท่ามกลางมิตร ด, ดีสหายดีก็ตามแต่จิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปเกิดกิเลสไอ้นั่นไม่ไปเกิดกิเลสไอ้นี่อย่างนี้แม้อย่างนี้ก็ยัง ช่วยเหลือการงานทําการงานอะไรอยู่กับเพื่อนฝูงจะซ้าไปแต่ไม่ไปผูกพันไม่ไปมีราคะไม่ไปมีโทสะไม่ไปมีมาณาอะไรกับเพื่อนฝูงคนนั่นคนนี้เขาอะอย่างนี้สงัดกายแล้วก็สงัดใจน ะ, ะข้อต่อไปอสังสักคะกะถานะอันนี้ก็คือเรื่องที่ไม่คุกคีกับหมู่ที่อาจารมาบอกแต่บอกแล้วต้องเติมว่าไม่คุกคีกับหมู่คนผาน อันนี้ต้องชัดเลยว่าไม่คลุกพลีกับหมู่คนพาลถ้าถ้าพูดถึงคนนะต้องไม่พลุกพีกับหมู่ค น, านพาลเพราะอันนี้แค่ใน อ, อบายามุกอะ่ะอบายามุกหกเป็นไงละผู้เจ้าตัดไว้ยังไงไม่ครบคนชั่วเป็นมิตรใช่ไหมอันนี้ก็ยืนยันได้ว่าเอ้าวผู้เจ้าไม่สอนนะให้ไปครบอยู่กับหมู่กลุ่มเพื่อนเร็วๆ เ, เ, เพื่อนชั่วๆ ถ้าไม่สอนน ะ, ะเพราะฉะนั้นอันนี้มันชัดอยู่แล้วถ้าเป็นบุคคลนะเพราะเนี่ยอาศังสักคะนี่ก็คือไม่ไปคุกคีกับหมู่คนเลวคนชั่วอะไรคนที่ยังมิจฉาทิฐิคําว่าคนเลวคนชั่วหรือมิจฉาทิฐินี่ต้องรู้นะเขาอาจจะเป็นด็อกเตอร์เขาอาจจะเป็นนักบวชก็ได้เขาอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ เขาอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรก็ได้อทุกอาชีพนี่แต่เขามิจฉาทิถีย่างเงี้ยก็ถือว่าคนพ่านนะหรือเป็นอะไรอะ่ะมียศถาบรรดาศัก์ยิ่งใหญ่อะไรก็แล้วแต่แต่มิจฉาทิถีเนี่ยไปครบไว้เหรอโอ้โหยิ่งเขามีอํานาจ ย, ยิ่งต้องระวังอยู่เลยใช่ไหมคนมิจฉาทิถีแล้วเขามีอานาจ คุณตา ย, ย ง, ง่ายเลยนะเพราะฉะนั้นครบเข้าไปได้ยังไงเพราะะอันนี้ถ้าเป็นบุคคลถึงบอกว่าพระเจ้าไม่ไม่สอนเลยไม่แนะให้ไปครบถ้าเป็นคนชั่วเป็นคนเลวแล้วไม่ต้องไปครบเพราะตรงนี้ที่บอกว่าไม่คุก ค, คีกับหมู่ซึ่งเขาแปลแค่ตรงนี้อาจมาถึงบอกจะให้ชัดต้องเติมไปเลยว่าไม่คุก ค, คีกับหมู่คนพาลจะต้องลงไปเลยหรือให้ชัดก็คือไม่คุก ค, คีกับ มูคนมิฉาทิฐิต้องให้ชัดเปี้ยงไปเลยแต่ตอนนี้ถ้าไม่พูดถึงคนถ้าเราพูดถึงสภาวะก็ไม่คุกคีกับมูกิเลสถ้าพูดเป็นสภาวะไม่พูดเป็นตัวตนบุคคลไม่คุกคีกับมูกิเลสคราวนี้ตัวเราคนเดียวก็ได้แต่แม้มีเพื่อนเป็นกิเลสเยอะเหลือเกินมีเพื่อนฝูงนะ นายลาคะนางโทสะอ ะ, อะไรอย่างเงี้ยนะโอ้มีเพื่อนเอ เ, อเด็กชายมานะอะไรอย่างเงี้ยนะแหมมีเพื่อนเยอะเหลือเกินมีลูกศิษย์ลูกศหาเยอะเหลือเกินนะไอะอย่างเงี้ยถ้าพูดอย่างนี้แล้วอย่าไปคบนะกับหมูมิตรสหายพวกนี้กับหมูกิเลสพวกนี้อย่าไปคบนะจําเอาไว้เลยอันนี้คืออสังสักขะ ต่อไปก็คือวิริยารมพะกะถา อ, อันนี้ง่ายๆล้ก็คืออะไรทั่วๆไปเขาก็แปลว่าปารบความเพียรอันนี้เราจะบรรลุธรรมได้ะจะหลุดพ้นจากกิเลสได้ต้องปารบความเพียรแต่ถ้ามาแปลใหม่ามาแปลเองนะว่าสร้างเสริมความเพียรไม่แปลว่าปารบอ่ะจะมาแปลว่าเสริมหรือว่าสร้างนี่แหละความเพียร หือไม่ใช่สร้างธรรมดาสร้างแล้วต้องเสริมความเปลี่ยนเพราะคําว่าขยันเนี่ยมันไม่หยุดอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ทําแค่ไหนก็ทําแค่นั้นทําแค่นั้นเรียกว่าขยันนะบ่าไม่ขยันหรอกถ้าคุณทําอยู่เท่าเดิมทําอยู่เท่าเดิมก็มไม่เรียกว่าขยันหรอกคุณต้องทําให้ได้ยิ่งๆ่งขึ้นสิถึงจะเรียกว่าขยันขึ้นออธิบาถึงจะแปลว่าไม่รู้นะถูกปิดประการใดก็แล้วแต่แปลเอาอาธาัธทะแปลเอาวาโยชน์อะว่า แปลว่าสร้างเสริมความเพียรวิทยาดำพระแล้วต่อไปก็คือศีลลักะถาศีลก็บอกอยู่แล้วนะก็คือเราจะบรรลุธรรมเนี่ยต้องตั้งอยู่ในศีลต่อไปก็คือสมาธิกะถาสมาธินี่แปลว่าความตั้งมั่นของจิตเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยจะต้องตั้งมัน่นถ้าจิตไม่ตั้งมัน่นกิเลสหลุดยากอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครเนี่ย ตั้งตบะก็ตามตั้งศีลก็ตามพยายามถือไปแล้วเนี่ยจิตเดี๋ยวก็ซ้า ย, ายเดี๋ยวก็เอามาขวาเหนื่อยๆ น, ย, นยก็เอไมาข้างหลังคือจะนอน <H Celt ic> น่าจะนอนแล้วคือถ้าอย่างนี้แล้วก็โอยจิตมันไม่ตั้งมันมันไม่แข็งแรงมันไม่เอาจริงแล้วคุณกิเลสหลุดยากแล้วจิตจะมีพลังได้ยังไงคุณ ค, คิดดู ข้อนข้อต่างๆเหล่านี้ผู้ผเจ้าท่านบอกว่าถ้าทําข้อต่างๆเหล่านี้จิตจะมีพลังนะจิตจะเข้มแข็งขึ้นจะแก่กล้าขึ้นจะไม่อ่อนแอไม่ปรกเปียกเพราะฉะนั้นแล้วนี่นสมาธิคาถาเนี่คือจิตต้องพยายามตั้งมั่ น, นตั้งตั้งมั่นในศีลแล้วตอนนี้จิตก็ต้องตั้งมั่นเข้มแข็งยิ่งขึ้นไปอีกต้องยึดศีลไว้ให้ติดเลย ไม่ใช่เพราะทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็เอาเอาไว้ก่อนนะสินแปดไม่ได้ก็สินเจ็ดสินเจ็ดไม่ได้ก็สินหกคือมันไม่ใช่ว่าไม่ได้แบบสู้จริงจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เพราะเราไม่ค่อยอยากจะสู้อยู่แล้วอ่ะหรือสู้แบบขี้คลาดกลัวๆอยู่แล้วนใจมันไม่ยอมมันไม่ยอมทุ่มลงไปให้ให้หนักแน่นให้แข็งแรงพอแต่ ไอ้ความเนี่ยมันไม่เต็มที่ความหวั่นวิตกความกลัวพวกเนี้มันทำให้กายไปเลยเลยทำไม่ได้ทั้งที่เอาจริงสักหน่อยขึ้นมาเนี่ยกล้าสักหน่อยก็ทาได้นะเอาอันนี้ก็คือสมาธิออาต่อไปก็คือปัญญากถาเราก็รู้อยู่แล้วนะก็คือมีปัญญาเป็นยังไงไม่ใช่ปัญญาทั่วไปนะปัญญาทั่วๆ่วไปก็อะไรอะ่ะ เรียนเก่งอะไรอ่ะทำงานร่ลำรวยไอ้คือซื้อหุ้นเก่งอะไรอย่างนี้นะไอ้อย่างนั้นเราไม่เรียกปัญญาอย่างของพุทธนี่นะเพราะฉะนั้นปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาที่อปัญญาที่ตัดกิเลสได้หรือในสำนวนพระไตรปิกนี่ใช้ปัญญาที่ชำระ ก, กิเลสได้ ชำแรกก็คือสมมติว่ามันมีกิเลสอยู่ก้อนหนึงนะมีกิเลสอยู่ก้อนหนึ่งนะ เ, ออเ น, นี่ยโอ้โห oh, ช้ำแรกหมายถึงว่าไม่ผ่าเข้าไปได้เลยนะเสียบหรือว่าแทงทะลุกิเลสเข้าไปได้เลยนะชิวช้าแรกตัวเข้าไปได้อืมไม่ใช่ช้าแหล่นะถ้าช้าแหละนี่แบบอะไรนะผ่าแลออกมาช้าแหละอือันนี้ช้าแรกนี่มันซึมเข้าไปได้เลยนะแทรกซึมเข้าไปได้ ทุกที่ทุกจุดเลยจึงเรียกว่าชําแรกเข้าไปนะเพราะนั้นปัญญานี่คือปัญญาที่สามารถที่เข้าไปรู้กิเลสตัวเล็กตัวใหญ่ตัวกลางตัวจิ๋วนะมันเข้าไปรู้กิเลสหมดเลยชําแรกเข้าไปใ น, ในกิเลสได้ทุกตัวอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าปัญญาที่เป็น อ, อย่างของพุทธไม่ใช่บอกว่าเลี้ยงเก่งทางานเก่งคิดเก่งประดิษฐ์อะไรต่ออะไรเก่ง น, นั้นยังไม่ใช่ปัญญาของพุทธ อันนั้นเป็นปัญญาโลกีไม่ใช่ปัญญาโลกุตระเอาต่อไปวิมุตติกถานะวิมุตติก็รู้อยู่แล้วคืออะไรคือการหลุดพ้นนะคราวนี้เนี่ยจะต้องรู้เรื่องของการหลุดพ้นทำยังไงถึงจะหลุดพ้นจะต้องรู้เรื่องพวกนี้ทำยังไงถึงจะหลุดพ้นไม่ใช่ปฏิบัติไปปฏิบัติไปเอเขาบอกให้ถือศีลก็ถือศีลเขาบอกให้กินมังสวิรัตก็กินอย่างเงี้ย ไม่รู้กเขาบอกให้กินนะ่ยมองซ้ายมองขวาเขาก็กินกันทั้งนั้นเนะ่ก็เลยกินด้วยก็กินได้อยู่นะคนนั้นก็กินได้แต่ถ้ากินได้โดยที่ไม่รู้สัจจะ ก, กินได้โดยเนี่ยไม่มีปัญญาที่ชำแรล ก, กิเลสคนนั้นไม่ได้จริงคน <c oughs> นั้นได้แต่เปลือกนอกไม่ได้แก่นคือจะยังไม่ได้บีมุตการกินมังสวิรัตได้โดยที่คุณเอา อะไรอ่ะใส่ที่ชามแล้วตักเข้าปากกินเข้าไปในกระเพาะอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่ากินมังสวิรัตได้อันนี้เขาเรียกว่าถึงกระเพาะแต่ยังไม่ถึงจิตยังไม่ถึงจิตเพราะนั้นคนนั้นเนี่ยถ้าวันหลังเนี่ยเกิดไม่ได้อยู่กับหมู่กลุ่มนี้ไปอยู่กับหมู่กลุ่มอื่นอา้าวที่เขากินเนื้อสัตว์หรือเขาทำอย่างวอย่างนี้คนนี้ก็อา้าวก็เขาทำกันอย่างนี้อ่ะ ไม่ได้มีปัญญารู้นี่ว่าทําไมถึงถึงเลิกกินเนื้อสัตว์ใช่ไหมเขาไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นพอไปอยู่กับหมูอย่างนั้นเดี๋ยวทีตีเขาก็เปลี่ยนเขาก็ไปกินเนื้อสัตว์เพราะนั้นอย่างเนี้ยเขาไม่ได้หลุดพ้นจริงเพราะนั้นคนที่หลุดพ้นจริงแล้วเนี่ยจะต้องมีญาณปัญญามีความรู้ด้วยว่าอ๋อที่ไม่กินเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้เราไม่กินแล้วโอ้โหนะ มันดีมันมีประโยชน์มันมีคุณค่าอย่างนี้นี่เองอย่างนี้อย่างงี้เข้าใจถึงการหลุดพ้นว่าถ้าหลุดพ้นได้แล้วมีประโยชน์มีคุณค่ามีดียางงี้อย่างงี้นี้นี่คือวิมุติกระถานะรู้เข้าใจในเรื่องของการหลุดพ้นได้อย่างชัดเจนถูกต้องตัวสุดท้ายวิบุติยานทัศนกรถาตรงนี้เพิ่มขึ้นตรงเนี้ยมียาน เกิดขึ้นแล้วประพฤติแล้วปฏิบัติแล้วมีปัญญารู้ด้วยก็ทําจนเกิดมรรคผลกับตัวเองเกิดแล้วก็รู้ด้วยบรรลุผลแล้ววิมุติยานทัศนะคือคือเกิดความรู้ความเข้าใจด้วยตัวของตัวเองนะเป็นความรู้ของตัวเองเลยไม่ใช่รู้จากฟังเทศไม่ใช่รู้จากอ่านพระไตรปิฎกแต่รู้จักผลของการประพฤติการกระทําของตัวเอง นะว่าโอ้เราเลิกเนื้อสัตว์ได้แล้วนะทั้งจิตใจทั้งร่างกายนี่ดนะีเป็นกุศลกรรมอย่างนี้อย่างงี้เนี่ยชัดเลยนั้นะเนี่ยจะรู้ทั้งทั้ง10ข้อนี้เพราะฉะนั้นอันนี้จริงๆข้อใหญ่ก็คือข้อที่สที่บอกว่าเนี่ยจะได้ตามป่าถนาโดยไม่ยากไม่ลำบากในการขัดเกิเลสทั้ง10อย่างนีนะ้นั่นเป็นข้อที่สามนะ ข้อที่สี่การเป็นผู้สร้างเสริมความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้ถึงพร้อมกุศลธรรมเป็นผู้มีกําลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมนี่เป็นข้อที่สี่จได้ไหมข้อที่หนึ่งให้มีมิตร ด, ดีข้อที่สองให้มีศีลพูดสันส้นๆนะข้อที่สนี่พูดง่ายว่าได ตามความปรารถนาในการขัดเ ก, กเลื่อนข้อที่4เนี่ยเป็นผู้พูดง่ายมีความขยันมีความอดทนมีความเพียร น, นะในการที่จะแบบว่าละอกุศลธรรมละอะไรที่ไม่ดีต่างๆจะเป็นมโนกรรมเป็นวจีกรรมหรือเป็นกายกรรมละหมดทั้งกรรมสามเนี่ยที่เป็นอกุศลนะละหมด แล้วก็พยายามเนี่ยตั้งมั่นเหมือนวิริยลำพระที่ธรรมาพูดถึงคือมันจะพยายามตั้งมั่นที่จะที่จะบําเพ็ญเพียรอยู่เรื่อยๆท้ อ, ทอบ้างก็ยังสู้ท้อแต่ว่าไม่ไม่ถอยหนีก็ยังสู้อยู่มีบางคนมีเหมือนกันบางคนท้อแล้วก็บอกว่าสู้สู้แต่แม้ถอยไปไกลจังเลย <laughs> ถอยไปไกลมากเลยบางคน นะอย่างนั้นก็นแหมมันจะไปถอยไกลเลยยิ่ ง, งถอยไกลเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาเริ่มใหม่นะยิ่งถอยไกล ย, ยิ่งต้องมาเริ่มใหม่เพราจริงๆเนี่ยพยายามเข้มแข็งกัดฟันทนนะสู้ให้มากๆยิ่งสู้อย่ า, ยางมีหมูมีบัวนี่คุณสู้ง่ายนะสู้คนเดียวเนี่ยยากลําบากมาเคยเล่าประสบการณ์ของตัวเองมาแล้วสู้อยู่คนเดียวเนี่ยโหทั้งโง่ ทั้งเสอร์ทั้งเสียเวลายาวนานโอ้มาอยู่กับมูนี่บางทีแมหมไอเราจะงมงายไปมัวสู้อย่างนั้นอยู่นะบางทีเดี๋ยวเพื่อนฟูมาบอกแล้วโอ้บอกแนะวิธีนั้นวิธีนี้โอ้โหเราได้วิธีดีๆมาปฏิบัติตอ่ะอันนี้คือข้อที่สี่ใช่ไหมเอะข้อที่ห้าการเป็นผู้มีปัญญาเป็นอริยพิจารณาความเกิดและความดับของกิเลสได้ สามารถชำรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกได้โดยถูกต้องหรือได้โดยชอบนั่นเองแต่ตรมาไม่ชอบใช้คำว่าชอบนะทั่วไปเนี่ยเขาจะาสามารถชำรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกได้โดยชอบอาตมาไม่ชอบ <c oughs> ไม่ชอบคำว่าโดยชอบนะอาตมาก็แปลใหม่เพราะว่าคำว่าโดยชอบเนี่ยถ้าแปลให้มันชัดก็คือโดยถูกต้อง หรือโดยถูกตรงมันจะชัดเจนกว่านะถ้าเราจะทำกิเลสเราให้มันหมดไปหรือว่าให้มันให้ทุกเนี่ยมันลดลงมันเบาบางจางคายลงเนี่ยก็ต้องเลือกมาที่เหมาะสมที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยที่เหมาะคัวแล้วเนี่ยเอามาใช้จัดการนะไม่ใช่ตามใจชอบของเราแต่ตามความเหมาะสมที่จะฆากิเลสได้ยังไง อันนี้เป็น5ข้อนะดูก่อนเมิยะหากเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีแล้วเพียงข้อแรกนี้เท่านั้นก็พึงหวังได้แล้วว่าตนจะเป็นผู้มีศีลตนจะเป็นตนจะได้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากไม่ลําบากในการขัดเกลวกิเลสตนจะเป็นผู้สร้างเสริมความเพียรละอาุสลธรรม ตนจะเป็นผู้มีปัญญาเป็นอริยะนี่ผู้เจ้าท่านตัดอันนี้โดยย่อๆจริงๆแล้วเนี่ยข้อนี้เนี่ยผู้เจ้าหมายความว่าเพียงแค่ข้อ1ข้อเดียวเท่านั้นถ้าใครมีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีได้แล้วเท่านั้นเองเพียงข้อที่1เนี่ยใครทําได้อีกสข้อทั้งหมดนะ่ยจะได้ตามมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรงกับ ที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆว่ามิตร ด, ดีสหายดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจันทร์นี่ถึงจะสอดคล้องกันเห็นไหมวันถึงบอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากนะการมีมิตร ด, ดีสหายดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เ, เลยถ้ามีมิตร ด, ดีสหายดีแล้วจะทำให้คุณเนี่ยเป็นผู้มีศีลได้ตามมาเลยนะอ่าแนะข้อที่สองเนี่ยจะตามมาได้เลยแล้วถ้าคุณมีข้อที่หนึ่งเนี่ย เดี๋ยวข้อที่3าจะตามมาได้คุณมีข้อที่ข้อที่1ปับ๊บข้อที่4ตามมาข้อที่5จะได้มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละผู้เจ้าก็บอกหากผู้ใดตั้งอยู่ในธรรมะ5ประการนี้แล้วก็ททำให้มากในธรรมะอีก4ประการยิ่งขึ้นคือคือถ้าใครทํา5ข้อนั้นได้แล้วนะโอ้โหจริงๆก็บรรลุได้แล้วนะหข้อนั้นแหละแต่ผู้เจ้าบอกว่า ทำหข้อนั้นแล้วจะทําให้จิตแก่กล้าใช่ไหมจากต้นต้นต้นเรื่องเราจะจําได้ไหมที่บอกว่า5ข้อนี้เป็นการที่จะทําใหเา้เกิดความแก่กล้าทางเจโตวิมุตคือแก่แกล้าแก่จิตที่จะทําให้หลุดพ้นจากกิเลสได้แต่ในขณะที่ทํา5ข้อนั้นเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าแล้วถ้านะเพิ่ม ก, กเพิ่มอีก4ข้อนี้นะคือ จเจริญอสุภะเพื่อละลาค ะ, จะเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทจเจริญอาณาปานาสติเพื่อตัดวิตกจเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนอัศมิมานะเพราะฉะนั้นดูนะถ้าทำห้าหข้อนั้นแล้วอ่ะถ้าทำสข้อนี้อีกบอกแล้วจเจริญอสุภะก็คืออะไร พิจารณาเรื่องความไม่สวยไม่งามเนี่ยเพื่อละความกำหนัดความยินดีในราคะแล้วก็จเจริญเมตตาเพื่อละความพยาบาทอ่าเจริญอนาปนานสติหมายถึงว่ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเพื่อที่จะทําจิตให้สงบแล้วก็พิจารณากิเลสเราอันนี้คือจเจริญอนาปนานสติถ้าเราหมั่นทําอย่างเงี้ย จะตัดความหวงความมิจตกความกังวลความคุ้นคิดฟุ้งซ่านอะไรต่างๆจะตัดไปได้จนสุดท้ายจเจริญอนิจจสัญญาก็คือกําหนดความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆเนื้อหนังร่างกายนะการมีชีวิตความคิดอะไรสังขารอะไรต่างๆเรียกว่ามันอนิจจน ะ, ะมันอนิจจังนะมันไม่เที่ยงนะเนี่ยถ้าใคร พิจารณาเข้าใจในความไม่เที่ยงอย่างนี้ได้นามันก็จะมาถอนอัสมิมานะคือถอนการยึดตัวกูไอ้นี่ของกูไอ้นั่นก็เป็นของกูความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรต่างๆนี้จะถอนออกมาได้ดูก่อนเมขิยะอนัตตะสัญญาย่อมบังเกิดแก่ผู้ได้อน ja ิจจะสัญญา ถ้าใครทำอนิจจังได้เนี่ยอนิจจสัญญาเนี่ยใครสามารถทำอนิจจังได้เรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่งคุณชักชักเก่งและชักตั้งมั่นขึ้นมาแล้วถ้าคุณทำอนิจจาสัญญาได้อย่างเงี้ยคุณจะได้อนัตตสัญญาอนัตตานั่นเองคุณจะได้อนัตตาคือคุณจะหมดความเป็นตัวตนคือจะหายไปจากโลกนี้ พูดใหม่คือจะหายไปจากโรคนี้โรคของกิเลสนี้ถ้าคุณคุณทำอณิจจสัญญาได้คุณจะหายจากโรคกิเลสต่างทั้งหมดแต่ตัวตวนยังอยู่ไหมตัวตวนยังอยูอ่แต่โรคกิเลสทั้งหมดจะหมดไปถ้าคุณทำอณิจจสัญญาได้นะคุณจะถึงอนัตตาและผู้ที่ได้อนัตตสัญญาย่อมบรรลุนิพพาน อันถอนเสียซึ่งอัสมิมาณะในปัจจุบันนั่นเทียวนี่ผู้เจ้าท่านสอนไล่มาเลยนะให้พระเมขิยะฟังเมื่อภิกษุเมขิยะได้รับฟังโอวาส น, นั้นแล้วก็นำมาบำเพ็ญเพียรอย่างยิ่งก็ทำให้มากตามคำสอนของพระาศาสดาเจริญวิปัสนาเจริญวิปัสนาหมายถึงการที่เราเนี่ยอบรมปัญญาของเรา ให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงนะจะทำงานอยู่จะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะอะไรก็แล้วแต่แหละคุณก็วิวปัสนาอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดนะให้เกิดปัญญาที่จะอะไรอ่ะเห็นกิเลสตัดกิเลสได้รู้แจ้งเห็นจริงต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเนี้ยนะเรียกว่าวิปัสนากระปากฏว่าท่านก็ไปบัญยาบำเพ็ญ จนกระทั่งสามารถบรรลุวิชาสามได้เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในพระมหาสาวกทั้งหลายปรากฏว่าเนี่ยท่านก็สามารถที่จะคุณเจ้าสอนครั้งเนี้ยคราวนี้เท่านั้นเองแล้วท่านก็ไปฝึกฝนใบบำเพ็ญจงกระทั่งบรรลุธรรมเลย <c oughs> นะเอาๆแล้วก็มีแง่คิดดีๆอยู่เยอะเลยลองลองไปพิจารณาต่อกันดูเองก็แล้วกันเอาวันนี้กองพอชั้นี้